สองอืเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมจะได้จด เ, เราได้ยินได้ฟังมีผู้พูดมีผู้ฟัฟงเอาไปาทำการกระทำหรือว่าส่วนการกระทำส่วนการได้ยินการได้ฟัง เป็นส่วนประกอบแล้วเพื่อจะสำเร็จประโยชน์เราก็ทำในสิ่งที่ให้เป็นหมันมีสติกับกายกายก็มีสติก็มีเวลาเราประกอบมันก็มีขึ้นถ้าเราไม่ประกอบมันก็ไม่มี การพัฒนเบื้องต้นต้องประกอบไม่ว่าทำอะไรละ่ะต้องทำให้ต้องทาให้มีขึ้นให้ใช่คิดนึกว่าดมโนภาพให้สัมผัสให้สัมผัสเป็นการสัมผัสการฝึกตนด้วยการสัมผัส <c oughs> มันทำให้เป็นการฝึกตนด้วยความรู้ความคิดมันทำให้รู้ความรู้อาจจะทำไม่เป็นก็มีเหมือนการศึกษาวิชาการทั่วๆัวไปภาคทิเศีวิชาการภาคปฏิบัติ ต้องไปพร้อมๆกั น, นเช่นพวกเหรียนแพทย์เหรียนหมอเอาลูท้ทฤษฎีแล้วก็มาปฏิบัติเอาซากเอาศพมาปฏิบัติลงไปจับเส้นจับเป็นจับข้ามเนื้อจบับตับไตชี้พงมาอยู่ตรงไหนเก <c oughs> ี่ยว <c oughs> ข้องกันยังไง เส้นเลือดแดงเลือดดำเลือดใหญ่เลือดแตกเลียดฝอย <c oughs> มันไปทางไหนบ้างถ้าสมมุติผ่าตัดเพื่อให้เสน้นเพื่อไม่ให้ถูกเส้นเลือดใหญ่ก็หาวิธีใ ห, ให้ให้ทำให้ถูกทําให้ถูกอันที่ผิดก็ผิดแหมือนกัที่ถูกก็ถูกหมนการมันเป็นสากล สิ่งที่ผิดก็เป็นสากลสิ่งที่ถูกก็เป็นสากลแล้วไม <c oughs> ่จานานในวิชาการนั่นนั่นเป็นแล้วรู้แล้วไม่พอต้องชจำนิจํานาญความชํานาญในแต่ละวิชาการ ต้องฝึกเอาเองไ ม, ม่ใครฝึกให้เราได้เรามาฝึกสติให้เป็นความชำนาญในวิชาสติสมพชัญญะให้มันเด่นให้มันคล่องตัวแล้วก็ใช่าดจริงๆเป็นกองทัพกองทัพ เอาชนะข้าศึกได้รอบด้านตั้งแต่ใหสติตงกับความหลงถ้าหลงก็มีสตินี่เราเรียกว่าสติปัฏฐานบางทีเราลกว่ามันได้น้อยไม่ใช่น้อยตั้งแต่ต้นจนจบผ่านอะไรเยอะแยะ กิเสพันห้าจันหายรยยแปดเป็นผลงานของสติที่เอาชนะได้ตั้งแต่่มรู้สึกตัวในป่ามันก็เกิดแนวร่วงเรียกว่าอ่า กองทับขึ้นมาเมื่อมีความรู้จึกตัวก็ เ, เกิดการเห็นมันตาเมื่อมองดมก็เห็นถ้าเห็นก็ก็รู้คืออะไรโล่ก็เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอะไรอโลเรว่ากองทับ ตอนที่ถอดก็ถึงผู้ควบคุมคือสมาธิก็มั่นคงื่อ <c oughs> มีจิตก็มั่นคงในจติไม่หลุดไปทางอื่นเนยมั่นคงคุมไวตั้งแต่เห็นกาย เห็นก็เห็นจริงๆกายก็มี็นกายจริงๆจีที่เกิดขึ้นกับกายก็มีมากแล้วก็ให้มั่นเอาไว้ว่าเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ากองกองที่มันสลื่อยสักแต่ว่ามันเพราะมีความมั่นคงเรียกว่าสมาธิ เห็นอะไรก็สักแต่ว่าว่าคุณค่าของสมาธิเพราะออกนั่งออกตาคือความเห็นความเห็นในว่าสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเหมือนดวงตาเห็นแล้วแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นได้ยังไงไปจนเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่เห็นมันดับไปสิ่งใดเกิดขึ้น การู้สิ่งที่มันก็ขึ้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไงสิ่งที่บางทีก็ควรละควรมันเทา่าควรเจวข้องก็หนดรู้ไม่สงสัยอยาเกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องแต่ละแต่ละแต่ละหน้าที่ ส ต, ติก็มีหน้าที่สัมฌะก็มีหน้าที่สมาธิก็มีหน้าที่การพอใจชอบการคิดชอบการตั้งใจชอบการทําความเพียรชอบเกิดขึ้นาการออกไปยังไงการอยู่ใกล้ชิดเป็นยังไงเกิดาการกระทำขึ้นมาไปเป็นกระบวนเลย ตั้งแต่ต้นจนจุดหมายปลายทางเบื้อง ต, ต้นตามกลางในที่สุดไปไกลนะเดินถึงมากถึงหมดนนอะไรที่เกิดขึ้นรู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นละได้แ ล, ลไแล้วละไปแล้วละเสร็จแล้วทําให้หมดไปแล้วความหลงก็หมดไปแล้วความทุกข์หมดไปแล้วความโกรธหมดไปแล้ว มาเท่าไหร่เอาให้หมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปผ่านไปผ่านไปเหมือนการเดินทางาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางตันเัราะมันเป็นการเดินในตัวถ้าลู่ก็เดินถ้าหลงก็หยุดคนที่มีการเดินทางไม่มีการหยุดไปเรื่อยๆอ ทางมันบอกลางทีทางก็บอกความขดบอกถูกถึงไหนถึงไหนเราก็รู้สิ่งที่มันเกี่ยวกับรูปก็รู้แล้วเอาไว้โน้นเกี่ยวกับน้ำก็รู้แล้วเกี่ยวกับเวทนาสุขทุกข์เอาไว้โน้นเกี่ยวกับอะไรที่มันทําให้เกิดถูกเกิดทุกมันถูกมันทุกข์เพราะอะไร ก็ทำแล้วอันนี้มันจึงไปไกลเป็นกองทัพไปเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสตินี่มันมีดุนมีข้อมีวัตถุซุบครบทุกอย่างอะไรก็เป็นวัตถุสุขทุกเป็นนามธรรม ก็สัมผัสได้เป็นสมมุติเป็นบัญญัติในบรร ญ, ญัติก็มีสุขมีทุกข์ในสมมุติก็มีผิดม่ถูกทำตามสมมุติทำตามบัญญัติในสุขในทุกข์แล้วก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ถ้าไปบรญญัติก็เป็นสุขถ้าไปบัญญัติก็เป็นทุกข์ ถ้เป็นปรมาจารย์ก็ไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์สุขทุกข์มันเกิดจากสมมติบัญญัติไม่ใช่ของจริงไอ้ทียวอากายเป็นสุขเอาใจเป็นสุขเอากายเป็นทุกข์เอาใจเป็นทุกข์อันสุขทุกข์ที่มันบัญญัติเป็นสังขารไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เวลามันยึดมั่นเป็น ไ, ไงเวลามันปล่อยวางเป็นยังไงบางทีจึงที่ทําได้บางทีจึงทำมาได้จึงที่ทำได้ก็ทําไปก่อนจึงทำมาได้บางที อันทำได้ทีหลังก็มีเช่นที่เละจางหยาบที่เละจางกลางที่เละจางละเอียดหบางทีเราก็ทำได้อยายบหยาบหยาบหัดใหม่มันกับปีเมือ่อ สรางอัตตกรรมสินลปากร ม, รรกรมทำา ใ, ใหม่ก็ไม่ค่อยสวยค่อยงามทำไปทำไปสวยงามขึ้นมาบางทีพอพอจะทำะไรมันมันก็เห็นแล้วเห็นโครงสร้างแล้วจะทำยังไงถ้าไม่ถ้าหัดใหม่ก็ไม่เห็นอะไร ต้องเขียนเป็นรุ่นเป็นค้อนครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปไม่พอใส่ใส่ความรู้สึกเข้าไปใส่อารมณ์เข้าไปเช่นอารมณ์สุขอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ บางทีก็ใส่เข้าไปถ้ามันสกก็หัวเราะถ้ามันทุกข์ก็ร้องไห้การหัวเราะร้องไห้ไม่เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรูปคนหัวเราะก็มองเห็นคนร้องไห้ก็มองเห็นแต่ถ้ารูปจริงๆมันไม่มีรูปพีแพ้่ประลชัยก็เป็นรูปอารมณ์เข้าไป อารชยนะก็เป็นอารมณ์เข้าไปอารมณ์เรียกว่าธรรมเป็นชท่าชนเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศล ก, ก็อม่ดังกิเลสมันพ่ายแพ้สติความทุกข์วามโกรธความโลภความหลงพ่ายแพ้สติ อดท่าีิเลตัวหยาบจาบความโรคความโกรกความหลงแต่ยังมีกามมารคะปาิคะมานาทิฐิยังมีเข้าไปอยู่แต่ว่ามันบอกเปลือกนอกออกได้มันก็เห็นช่องทางมาเราปลอกเอาแกนกล้วยไปแกงเอาเปลือกนอกออก บอกออกไปบอกไปก็เห็นแข่นเรียกว่างานมันบอกการกระทามันบอกอะไรมันตามได้อย่างไงมันหลุดพ้นได้ตรงไหนอะไรมันยังอยู่มันบอกสุกทุกข์มันบอกผิดถูกมันบอกโดยเพราะปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐานนี่มันบอกชัดเจนมาะ นี่คือกายกายเป็นรูปถ้าเป็นกายธรรมดามันยังไม่บอกเป็นรูปเป็นค้อนเหมือนต้นไม้ในป่าถ้าจะามาทำบ้านทำเรือนถ้าต้องต้องเกิดการกระทำขึ้นเข้าไว้ก่อนเข้าไว้ก่อนดูลักษณะเข้าไว้ ต่อเข้า บ, างางบังแขนถากไปต่เรื่อยมันก็เลื่อยตรงนี้จะถากก็ถากตรงนี้ตรงเทมันโคดก็ถา ก, กออกตรงที่มันตรงอยู่ก็ไม่ต้องถากเป็นเข้าเป็นรูปไปเมื่อเสร็จแล้วมก็บอกใช่ได้แต่ทําอีกไมาได้มาเสร็จแล้วงานมันบอก ถ้ามีความคิดมันยังไม่สำเร็จถ้าการทำลงไปมันสำเร็จนี่คือรูปพอเห็นเป็นรูปมันก็เป็นโครงสร้างไปถ้าเห็นเป็นกายยังไม่เป็นโครงสร้างยังเป็นท่อนจุงถ้าเห็นเป็นรูปแล้วมันมีโครงสร้างขึ้นมาเอ็นเป็นน้ำอีกก็มีโครงสร้างขึ้นมารูปน้ำมันเท็จจริงแค่ไหน ไอ้จริงแค่ไหนแต่แขนไปแล้วมาเห ม, มันเจิดก็รู้เจิดแช่นี้รูปเจิดแช่นี้น้ำเจิดแช่นี้น้ำ ม, มันบอกรูปมันบอกนอกจากเห็นโครงสร้างของรูปเห็นโครงสร้างของน้ำอะไรที่มัน อะไรที่มันเป็นเท็จเป็นจริงยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนยังไงมันจะบอกไปเรื่อยๆโกมโกดเป็นเป็นรูปรปทมเป็นนามธรร ม, ป ม, มเป็นนามะรูปไม่ใช่รูปนามโกงโกดเป็นนามะรูปสัมผัสได้ เจ็บปวดนื้อก็บรูปธรรมที่มีกายมันก็สัมผัสได้เจ็บปวดหนาวหนาวสัมผัสร้อนก็ร้อนหิวก็หิวเจ็บก็เจ็บหายเจ็บก็หายเจ็บแต่ว่านามมารูปนั้น ม, มันก็มีเหมือนกันหายหายโูค ความโกรธหายไปมันเจ็บปวดเพราะความโกรธมีวิธีทำไม่ไม่มีวิธีทาให้หายเอาจิงกับมันยังไง <c oughs> น้วก็บางอย่างตกอยู่ในความไม่เที่ยงเ่าิ่งไหนไม่เที่ยง ก็ไม่ความประยืดว่าตัวว่าตนมันก็บอกจิตในเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ประยื์ว่าตัวว่าตนมันบอกทุกข์มันบอ ก, ก, บอกความมาเที่ยงมันบอกความมาเช่ตัวตนมันบอกยืดเอาไม่ได้นะก็เป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปาะไปมันก็คนแช่ แค่ไข่อันสิทธมันมดเป็นยุ่งออก็ออกไปออกไปออกไปจนได้เงื่อนไขจับคกล้าห <c oughs> นั้น <c oughs> คนโบราณเสาไหมไก่ไม่เคี่ยไก่ชุยไปหมดก็ต้องให้คนใจดีดมาแช่ใจร้อนแ่ไม่ได้ค่อยค่อย จับเงื่อนจับไขมันมีมีต้นมีปลายาไปจับตรงกลางมันไม่ยังไม่ยังไม่เห็นเงื่อนไขจับลายให้มันถูกอะไรที่มันกอดอะไรที่มันหลังใจดีๆเข้าไปใจดีแจ้พ้าใจรลายแจ้จไหม โดรนทัดว่าอัดแค่ไหมอาดแก่ไฟถ้าแ่อได้ก็ได้ฝ <c oughs> <c oughs> ึกหัดแต่ที่มันจจเจ็ร้อใจเย็ น, นเวลามันทำยากใจเดินเข้าไปเพียนเข้าไปประกอบเข้าไปเรามรรทุกเพียนสักหน่อย ในทุกมันไม่มีรุดไม่ค้อนมันเกิดจากเหตุปัจจัยมันมาจากตรงนั้นตรงนี้มันเกิดเงื่อนไขใหม่มันมุ่นมันยุ้งวันที่มันยุ่งม่ใช่ใหม่มันมีสับสนนิดหน่อยความทุกข์มันมันมันขึ้นขึ้นมาก็มีต้นเหตุแล้วก็ดูไปมันก็เห็นเงื่อนไขสําเร็จ ที่เดียวเลยในชีวิตของเรานะ่อาเมต้นหมายปลายเหตุทางพระเจ้าโด้การรู้อริยสัจทีทุกทุกมันเป็นผลไปเห็นทข์แล้วจึงค่อยู้ว่ามันทุกที่จริงทุกมันไม่ผลมาจากเหตุไม่ใช่ทุกดุ น, ดน มันเกิดมาจากเหตุความหลงเกิดมาจากเหตุตทุกข์ความสุขเกิดมาจากเหตุก็อย่าไปอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุจะไปเอาชนะทุกข์อดทนเอาไว้ยังไม่ยังไม่ได้แก่กบเกิอนไว้ มักงมว่าจริงมันมีต้นเหตุทุกมันเกิดจากเหตุจังไปมาถึงทุกทุกเป็นผลเหตุมันเกิดจากอะไรดูไปทูตเจ้ายงดูไปเราเห็นเหตุเหตุคืออะไรคือสางมูยไทย ทางมุทยคืออะไรคือความหลงความหลงก็ อ, อะไรคือสังขารเมื่กิดความหลงก็เกิดการปรุงแต่งเกิดสังขารแต่สังขารนแต่งให้สุขแต่งให้ทุกข์ต้องมีความรู้สึกตัวเข้าไปเมื่อมีความรู้สึกตัวก็เปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารวิสังขารคือหลงสัง วิสังขารคือคือรู้สังขารคือหลงอันนี้พัาษาอาสาบาลีสังขารคือหลงวิสังขารคือรู้สังขารก็คือคือมันหลงคือมหลงนั่นแหละว่าทำไมยังหลงเพราะไม่รู้ทําไมไม่รู้เพราะไม่มีสติทําไมไม่มีสติเพราะไม่เพกขัด ไม่เคยเราไปโทษอลไรก็โทษที่เราไม่มีสติก็ตือเรือล้นเข้ามาประกอบความเพียรความเพียรเกิดขึ้นหายใจเข้ารู้สึกยกมือขึ้นไหวรู้สึกถ้ายัางไม่เจ๋งกลับมายังไม่มีถ้ามีแล้วจับไปใช้เลยเลยตัวมันหลงภาก็ลู้ขึ้นมาไ ง, ไง่าย นั่นจากวามทุกข์ก็รูขึ้นมามันตั้งต้นจากสังขารจากวิสังขารเปลี่ยนได้สังขารเปลี่ยนไปวิสังขารได้ความหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ได้ถ้าเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ความโกรธความทุกข์ก็ก็หายหมดไม่ต้องไปสุขม่นต้องไปทุกข์ ลูล่สักตัวมันจะร้องไห้ไม่ได้เสียใจไม่ได้การเสียใจร้องไห้อยู่มันไม่ใช่ตัวนี้เพาจับตัวนี้ได้ก็ก็ก็ไปจบตัวโน้นงั้นเราจะดาไปจับแสงสว่างกดสวิสใช้เปิดไฟขึ้นมากดสวิ์ ไม่ใช่ไปงมอันที่แสงสว่างไปดับไปมอดมันไม่มีต้นไม่ีเหตุอยู่อะไรที่มันเกิดมันต้องมีเหตุถ้าเกิดขึ้นดับได้เปลี่ยนได้ไมร้อนไม่หนาวได้มีเหวมีมอิ่มได้มีเกิดมีไม่เกิดได้มีเจ็บมีไม่เจ็บได้มีเจ็บมีไม่เจบได้มีตายมีไม่ตายได้เปิดคู่ไปหมดหรอไปไกล มันจึงเป็นคู่ไปน้องเป็นคู่ไปถ้าเราหลงแสดงว่าเราไม่หลงก็ได้ถ้าเราโกรธเราไม่โกรธก็ได้ก็มีแต่สากทต่ได้ดูเหมือนหน้ามือหลังเนอเป็นความโกรธเป็นความโกรธหน้ามือหลังเือนั้นอยู่กับการกระทาของเราแย่างนี้ไไกลไปไก ล, ไไกลสติเนี่ย เราจะจะมีพลังไปขนาดไหนเหมือนคนมีกำลังมากขึ้นวันดขึ้นที่สูงพุดธพุท พ, พถึงที่หมายแต่ถ้าคนไม่มีกำลังก็ขึ้นช้าหน่อยหมดมันกัด <c oughs> ไม่รู้ว่าหมดมันเจาะวะ มานั่งอย่างนี้ก็มีหมดแต่ไอ้วันนี้มดรบกวนเหลือก็เปลี่ยนบาปไปเลยก็ยวกันนึกว่ากินไม่สาดก็สะอาดอยู่นนะผ้าก็ซักใหม่ๆเนี่ยผ้าซักเมื่อวานนะ่ะพึ่งมาถือหนึ่ก็ยังไม่หมด <c oughs> เราก็โทษตัวเองอยู่เสมอเราไม่สาดหรือเปล่าที่นอนก็สาดอยู่นนะเรืองไร ห, หมดทั้งแต่ เพียงคืนนอนอ่าก็ร้อไงละ่ะก็มีสเปรย์แต่ค่้หอมก็ง่ายง่ายใน <c oughs> เครื่องมืออ่าด่าไล่นนนนความโกรธไม่มีวัตถุภายนอกไล่ทุกข์ไม่มีวัตถุภายนอกแล้วลเปลี่ยนรับต่าที่หวั่นโกรธไม่โกรธแค่ไหน <c oughs> ง่ายง่ายแต่คนเป็นเรื่องใหญ่สโอโกรกก็ไปดาไป่ากันไปฆ่ากันทิ้งกันสามีพัญญาทิ้งกันเพราะความโกรธญาตพี่น้องทิ้งกันไม่มองหน้ากันเพราะความโกรธมันโอ้ยน่าเสียดาย เจด๊ดายความเป็นญาติเจด๊ดายควาเป็นความรักกันเป็นความเกลียดชังกันเพราะความโกรธเนี่ยมันเสีย ใ, ใจมากตรงไหนอยากรับผิชอบตรงนี้มันก็ยังไม่ทันไม่เพียงพอให้เพียงพอ <c oughs> ดอกควา ม, ม, มนุนแรงของโลกวะไม่มีโรงงาน ผิดเหมือนกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดพันธุ์ใหม่ก็ผิดพักวัคซีนป้องกันบัดพันธุ์ใหม่ชั่วโมงหนึ่งได้หลายหลายหลายหลายเท่าไันเพียงพอสาอมาใช่คนได้เป็นห้าห้าแสนล้านคนไม่โรคได้แต่ความรู้จากตัวเนี่ย ถ้าใช้คนืนช่วยมันก็ไม่ได้ต้องช่วยตัวเองถ้ามันหลงก็รู้น่ะเอาไปช่วยตัวเองแท้ๆในเราการปฏิบัติธรรมน่ะเอาไปช่วยตัวเอ ง, องช่วยตัวเองแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ต้องช่วยคนอื่นคนใกล้เชียงเราเอาให้ได้แล้วก็เป็น สังคมไม่ผัวไม่เมียไม่ลูกไม่เต้าให้พ่อมีแม่ไม่เพื่อนบ้านไม่ประโยชน์จริงๆนะจะทำยังไงชีวิตก็ผ่านมาทั้งปนยังไม่มีอะไรเลยนะเวลานี้ก็ไม่ ไม่ไม่คุ้มค่านะเก <c oughs> ินที่มีชีวิตที่บอกความเทศกรมริงใจผู้คนกิบช้อยเหลือเกินทำไงพวกเราตัวเมียร่างกายแข็งแรงมเมื่อแข็งแรงมากมาช่วยกันมาสุขวิกาพระสงฆ์ แม่จีเดี๋ยวนี้เข้ามาถึงอยูโยชนุนคนไทยนักเรียนมีปัญหาใหญ่จะทำไงพวกเราพิดตัวขึ้นมาพิดตัวขึ้นมาเพราะหลองตาเพรศมหายานผู้เยี่ยงสมคัญที่สุดพิจนตนเน เก่งมากตื่นขึ้นมาบ้านนีเตรียมขับรถออกเครื่องมือพร้อมมีซีดีเครื่องฉายวีซีดีติดรถไปขับรถไปก็ตามโรงเรียนต่างๆจับเยาวชนได้ยอดเยี่ยมมากวิศนีทั้งหลายฮ ก็เราคอช่วยกันพระสงฆ์นมนมทั้งหลายไปช่วยกันเดี๋ยวนี้หน้าเสียใจหรือสีเป็นคนเผยแพ่ศาสนาผ้าขาวเป็นคนเผยแพ่ศาสนาตาผ้าขาวอบรมนอกเดือนเป็นพันๆเดี๋ยวพระสงฆ์เราไปในหมดไม่ขี่ไป <laughs> มาเก๊มาอวดกันอยู่ใ น, นวัดในวายมันไม่ได้ห้ะ เดินย่องย่องจากกติเดนย่องย่องมาฉันเดินจากย่ย่องมาฉันเดินย่องย่องไปกติแค่นี้หรคอดแล้วเราที่จะไปแค่แคกไกลกว่านี้ <c oughs> อ้ อ, อกจากกติประโยชน์ตนก็ทำํำประโยชน์คนอื่นก็ทํามาเดินเจ้า ก, กรมอยู่แถวลานเห็นคงเป็นเพื่อนกัน บางรูปอยากปฏิบัติธรรมเดินคนเดียวไม่ลุยถามขครมาถามหลวงตาหลวงตาหู้ไม่ค่อยดีบอกไปถามผู้พกรมโนน <c oughs> อ, อันก็เป็นอย่างนี้แล้วพระท่านก็ปฏิบัติแม่ชีก็ปฏิบัติก <c oughs> อนเรามาช่วยกันเถอะแต่นนตตา้าขาวไปแพร่ศาสนายิ่งใหญ่ แล้วก็แต่นี้เขาไม่ไม่ไม่อยู่ในเพศนักบวชสอนศาสนาเป็นโยมไปแล้วนักสอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่เป็นคือเราวาา่าญาติโยมแบบเอาไปมาคนตาบอดจะสอนธรรมะคนพิการจะสอนธรรมะคนหูหงอกจะสอนธรรมะคนหูหงอกก็ไงนะสอนธรรมะแล้ ว, รรวนะรราทาอะไร กาตามังคอะไรเเรียกลองพ่อลวงพ่อความเฉือนหรือว่าเป็นใหญ่ในวัดป่าสุกโตใช่ไหภาษาหลวงตาเรียนดูจำไม่ได้ลืมหมดแล้วก็คุ้นออกมาปฏิบัติตามที่แม่ ลาสุดาเขามีคําพูดภาษาเมอตอนี้ภาษาเมอสอนธรรมะพวกเราไม่ปากไปพูดเรื่องอะไรทำไมไม่บอกคนเขามีเมอเขาว่าสอนธรรมะแล้วภาษาเมอเป็นภาษาสากลแล้วตะวันเนี่ยภาษาเดียวในโลกภาษาปากพูดนียตั้งหลายภาษา ต้องหลายภาษาภาษามือภาษาคนใบภาษาเดี่ยวภาษาเดี่ยวไปได้ทั่วโลกเ้วก็ช่วยกันตอมใหม่สติสติมันดีจริงๆสติเนี่ยอย่าขาดแขนพวกเราจะดูในฐานะแบบไหนต้องจำเป็นเหมือนกัน ถว่าสติแล้วเนีเมื่อมีสติตัวนี้ก็เหมือนกับแสงเงินแสงทองขึ้นมาจริงๆเห็นผิดเห็นถูกเห็นสุขเห็นทุกข์ต้อดว้วมชั่วลอยพ่ายแพ้ไปไปดูหมาสองตัวอยู่มันท่าชาเนี่ยไปดูซิมันพ่ายแพ้หมา กิเลสเหมือนหมาสติเหมือนชา้างถ้าดูหมามันพ้ายแพ้ไม่มีทางจะทำหมายกับช้างได้ไปดูหมาสองตัวเอาช้างเห็นไหมนะไปดูที่ลักษณะพ้ายแ พ, พ้ภาษาอะไรกิเลสตัณหาราค่ะ มันหมาจริงๆนะมันมีประโยชน์หลายทําไมไปถนอมรับใช้มันจนทุ่มเทตายไปประกอบชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งนะตายไปกับความตายไปกับกิเลสตัณาหลากะตายแล้วยังเสียดายร้องให้เสียดายไปร้องให้ไปทุกข์ความแส่ความเจ็บคมตายมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แล้วอันของจริงอ่ของมันจริงอยู่ทำไมไปกลัวของจริงของไม่จริงทำไมไปถนอมไปลัวเกิดแก่เจ็บตายเสียจุกเสียใจไม่ใช่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดไม่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องหรอกแตเสียใจเพราะความเก็บความแก่ความตายเป็นทุกข์ไม่ใช่แต่นี่จะเป็นเรื่องที่ คิด ช, ช้อยมันมีแล้วมันมีมาพร้อมกันเมื่อมีเกิกต้องมีความแชรความเจ็บค ว, าควาตายเอามาพร้อมเอามาพร้อมมาพร้อมกับชีวิตถ้าเราไม่ชิดก็มีแก่เจ็บตายเท่านั้นเองยากไปถูกเอามาเอาจริงเอาจังกับมันหลงเนี่ยตัวหลงนี่แหละ แล้วกาตัวลู่ในคู่กับตัวหลงพอดีพอดีกันเึกษาเบื้องต้นพระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องแน่ได้คําตอบเพราะมีสภาวะที่รู้เขาเห็นกับตัววับสภาวะที่หลงพอดีพอดีพอดีกันเลยถ้าห ล, ลงเธอก็บลู่พอดีเจอกันพอดี ออกประตูเข้าประตูมันมีประตูมันไม่ออกไม่เข้าได้ว่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นอันเดียวกันคนในโลกนี้หลงก่อนเดียวกันลูกก่อนเดียวกันอยาให้ขาดแทนเราประกอบไปเอาไปใช้ใ้เต็มบ้านเต็มเมืองให้เป็นนักกรรมฐาน นักกรรมฐานไม่ใช่จะมาเห็นรูปแบบนอกรูปแบบอะนักกรรมฐานจริงอย่างนอกรูปแบบสากรมันหลงที่ไหนไม่ตัวรู้ตัวนั้นผมหลงไม่เลือกที่นะไม่เลือกการมันเลือกเวลาแต่ลูกก็ไม่เลือกเวลาไม่เลือกที่เอารเอยใช่เลย จึงหัดใช้กันนะถ้าได้จะอยู่ในในหลักกันนี้ก็ดีศาสนาพุทธศาสนาวองไทยมีวัดว่าอารามมาช่วยกันจะทมนมนองเข้มแข็งเข้มแข็งในความอ่อนเดระรวมหลงทำให้เราอ่อนเด้ะออ ความทุกข์ทํให้าอ่อนแอความสุขทําห้เรอ่อนแ อ, อ, อนความโกรธทําห้อ่อนแอความโลภความหลงทําล้อ่อนแอเข้มแข็งตัวในบ้างให้เข้มแข็งขึ้นมาเข้มแข็งในความอ่อนเดะอดทนในความอ่อนแอมันมีไรเอาไปมาก็ไม่มีไร ไม่ใช่เข้มแข็งเพราะร่างกายร่างกายไม่มีโอกาสเข้มแข็งแต่ว่าเข้มแข็งในด้านสติปัญญาความเจิความตายไม่สามารถที่จะไม่ถอนเอได้ต้องทำให้เป็นถ้าไม่เป็นนะ่ะมันจะเสีอท่าอะเพราะนั้น่ะก็ยัง ไม่มีวิธีอะไรแล้วไม่จะกลรบ ม, มาทานมันเลยละอ่านอื่นก็เป็นท่นอื่นไปไม่ใช่เข้ามาหาการเกิดเจ็บตายของคนแต่มาทันในตรงพอดีล้วถ้าอมีแจกต้องไม่ไม่แกะนะเมื่อมีเก็บต้องไม่ไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องไม่ไม่ตาย น, ะน่ะตรงเป๊ะเลย ถ้ามีหลงก็ต้องมีไม่หลงเนี่ยเริ่มไปจากไหนก้าวไปจากไหนเมื่อมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์เปลี่ยนตรงไหนอย่าปล่อยทิ้งอย่าทอดทุเละถ้ายังมีหลงอยู่นั่นแหละมรรคผลในผ่านถ้ายังมีทุกข์อยู่นั่นแหละมรรคผลใ้ผ่านเป็นทุกข์ผวมเป็นทุกข์เป็นทุกขป์ประกมบไปเที่ย ง, งนั่นและเป็นพายในผ่านอย่าทอดทุเละตรงไนเปลี่ยนทันตีทาทันตีนะ สมควรเจรลาสามพรพร้อมกัน